ปุปภาคานมกาลธรรมายังพุทธะสะภะคะวะโตปุปภาคานมาการังกโรโมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อรหตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิลเลสสัมมาสัมพุทธาตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นาน อรหตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิลเลสสัมมาสัมพุทธาตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อรหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิลเลสสัมมาสัมพุทธาตราสรุชอบได้โดยพระองค์เอง